พวกเรากำลังเจริญสติอยู่วันหนึ่งข้างหน้าจะเห็นที่หลวงพ่อบอกนี้นะบอกเผื่อๆไว้คอยรู้กายคอยรู้ใจรู้ไปด้วยตอนนี้เรายัางเห็นผิดอยู่เราจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ย่งรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้ทุก ข, ข์หรอกถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วจะรู้ว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆจิต น, นี้ทุกข์ล้วนๆในว่ารรู้แจ่มแจ้งตอนนี้ยังไม่แจ้ง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 ท่านออาผัวบทท่านเป็นพระรหัสนงค์หนึ่งส่วนมหานามะาสห ล, งดดลสหาาังกระโดดน้ำตายถูกวิทุธพระตีกวีิรพัตแตกจับมหานามะสมะกระโดดน้ำตายไม่ยอมนั่งกินข้าวร่วมกับวิทุธพระเสียศักดิ์ศรีเพราะวิทูธภาะเป็นจันทา์ฐานงา น, นในโลกไม่มีที่สิ้นสุดนะการปฏิบัติถึงจุดหนึ่งมีที่สิ้นสุดจุดที่เขาสิ้นสุดเนเราจะรู้ได้ตัวเองเ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 จิตกับธรรมะนันะกลืนอยู่ด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกันไม่แยกแล้วเราภาวนานะเราจะได้รับรสชาติของความสุขนิพพานมีจริงๆไม่ใช่ต้องรอเขาตายถึงจะเจอนิพพานถ้าภาวนาจนหมดความยึดถือจิตได้จะเห็นนิพพานอยู่ต่อหน้าจิตใจมันจะกว้างขวางนะไรขอบไร้เขตไรจุดไร้ดวงไรที่ตั้งจิตไม่มีไปไม่มีมา